การดีท็อกซ์นะเป็นที่นิยมนะดีท็อกซ์นี่ก็ต้องมีการตรวอาหารด้วย น, นิโคลัสนี่ก็มาทำงานที่เมืองไทยอยู่หลายปีนะประมาณเกือบสิบปีแล้วก็ต่หลังเขาก็อยากจะไปทำงานในประเทศที่ยากจนกว่าเมืองไทยตอนที่เขาอยู่เมืองไทยนี่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 จะเดินทางเนี่ยก็ต้องนั่งเครื่องบินสนามบินนะหรือที่ถูกอว้าคือลานบินนะไม่ใช่สนามบินอนะเรียกว่าลานบินดีกว่ามันก็อยู่ห่างจากที่เมืองที่เขาพักมากต้องขึ้นเขานะประมาณสองชั่วโมงคําว่าขึ้นเขานึกไม่ถูกนะต้องว่าปีนเขาดีกว่าเพราะว่าไม่ได้นั่งรถนะต้องปีนเขาประมาณสองชั่วโมงแล้วก็ลงเขานะไปยังหุบ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 ไม่มีความแน่นอนเลยว่าจะได้เดินทางหรือเปล่าและบางครั้ง น, นก็เสียเที่ยวเสียเวลาต้องกลับไปที่พักเหนื่อยต่างหากแต่วัานิโคลสเนี่ยเขาเป็นคนที่ฉลาดนะเขาเป็นคนที่วางใจถูกเขาบอกว่าเนี่ยถ้าเราเอา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 ชมนกชมไม้ชื่นชมธรรมชาติแล้วก็ถ้าเหนื่อยก็จิบกาแฟนะจิบกาแฟนะในป่าบนเขาเนี่ยชมวิวมันก็มีความสุขดีนะพอก็ปรับใจแบบนี้นะไอการเดินทางไปลานบินเนี่ย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 พอมีเรื่อมีแรงได้พักกายนะจิตใจก็ค่อยแจ่มใสอยู่บนดอยสักพักก็เดินลงมาพอลงมานี่ยก็พว่าเห็นทัสเนียภาพมันสวยงามมากนะถึงกับออกปากขึ้นามันอัศจรร์เลือเกินนะทัเนียภาพที่เห็นสองข้างทางระหว่างลงสักพักก็ฉุกคิดมาว่าเ เมื่อกี้เนี่ยเมื่อไม่กี่ชั่วโมงเนี่ยเราก็เดินมาทางเนี่ยขึ้นมาทางเนี่ยทำไมไม่เห็นเลยนะไอ้สัสเนียภาพก็ได้คาตอบว่าตอนนั้นเนี่ยจิตใจมันไปอยู่ที่จุดหมายข้างหน้ายอดดอยแล้วพอจิตใจไปจดจ่อยที่จุดหมายนี้ก็ก็เลยคิดแต่จะเดินไปให้ถึงก็เลยเหนื่อยลืมมองไปว่าสองข้างทางมันสวยมาก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 ทันทีที่ลงมือเดินทางนะหรือทำงานหรือภาวนานี่ก็ให้รู้จักฉลาดนะในการนะมีความสุขนะกับสิ่งที่ทำมีความเพลิดเพลินระหว่างเดินทางไม่ว่ามันจะถึงหรือไม่แลไม่ว่ามันจะถึงเมื่อไหร่นะก็ไม่เสียโอกาสนะที่จะ เ, เก็บเกี่ยวความสุขหรือว่าทำให้เกิดความเพลิดเพลิน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 ไม่ว่าการปฏิบัตินะั้นมันจะเป็นภาวนามันจะเป็นการทำงานมันจะเป็นการเดินทางหรือปลูกต้นไม้ปลูกป่านะความมันจะเป็นป่าได้นี่มันหลายปีก็อย่าไปกังวลว่าเมื่อไหร่มันจะเป็นป่าอย่าไปกังวลว่าเมื่อไหร่มันจะโตนะเราก็ทำปัจจุบันขณะให้ดีแล้วระหว่างที่ทำก็มีความสุขด้วย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 รถแน่นขนัดก็งุดงิดแล้วลองคิดดูว่าเออระหว่างที่รถติดนี่เราจะทำอะไรให้มันมีประโยชน์เช่นตามลมหายใจพลิกมือไปพลิกมือมาหรือว่าสนทนาพูดคุยกับลูกนะที่มาในรถด้วยเวลาที่เรามีอยู่ในโลกนี้มันก็เหลือน้อยลงไปทุกทีทุกทีถ้าเราปล่อยเวลาแต่ละนาทีให้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 เดีว่าแต่การทำงานหรือการใช้ชีวิตเลยนะแม้แต่การภาวนาเนี่ยถ้าเราอยู่กับปัจจุบันไม่เป็นนะมันก็เครียดนะใจไปอยู่กับอดีตบ้างหรือว่าไปจดจ่อว่าเมื่อไหร่มันจะได้ผลสักทีเมื่อไหร่มันจะเห็นผลสักทีนะเมื่อไหร่มันจะสงบสักทีก็กลายเป็นรู้สึกนะหงุดหงิดกับอาการนะที่เป็นเกิดขึ้นท า, ทางทังที่สิ่งที่เกิดขึ้นกับเรามันก็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 เพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นตรงนี้หรือตอนนี้เนี่ยนะไม่ว่าทำอะไรเนี่ยหรือไม่ว่าเจออะไรเนี่ยมันมีประโยชน์ทั้งนั้นอย่าง น, น้อยก็ผ่อนคลายสบายใจดีกว่านั้นก็คือได้เรียนรู้เกิดปัญญาขึ้นมามีความมีคุณภาพจิตทีพัฒนาขึ้นอ่ะแล้วก็ชานี้พื่อเท่านี้จากนี้ไปอ่พอไม่ออกก็จะ สมาทานศีล